น, นี้จะอธิบายถึงเรื่องธาตุาจะเรียกว่าธาตุตัวฐานก็ได้เพราะพูดถึงเรื่องธาตุเรื่องของธาตนะุนั้นมันกว้างขวางพิสดารมากถ้าเราพูดกันย่อยๆจะเพียงว่าธาตุสี่ถ้าพูดกว้างออกไปก็ธาตุหกธาตุสิบแปดถ้าพูดออกไปกว้างมดทั้งโลกเรียกว่าโลกธาตุ แม้แต่พนิพพานท่านก็เรียกว่านิพพานนธาตุกว้างขวางมากกว่าทั้งเรื่องธาตุธาตุคือสิ่งที่ทรงอยู่หรือทรงไว้ซึ่งสิ่งนั้นๆโดยเะพาะคือมาทรงตัวของมันเองไว้จึงเรียกว่าธาตุอันนี้จะพูดถึงเรื่องธาตุดินว่าทั้งเรื่องธาตุสี่ก่อนถ้ามันเกี่ยวเนื่องกับเนื้อตัวคนเรา มันเป็นธรรมะหนึ่งตัวคนเรานะ่น่ะที่เป็นตนเป็นตัวเป็นก้อนอเนี่ยเนี่ยคือก้อนธาตุทั้งสี่มันปนสมกันเข่าเป็นก้อนขึ้นมาแล้วก็ทรงอยู่ค่อยสลายไปแปรปวนไปนในคนที่สุกกนดับแต่ <c oughs> นั่นก็ไม่ผิดอะไรกันอนะ่ะกับก้อนอิด ก, ก้อนดินเขาทําอิฐเขาก็ต้องผสมน้ําเอาดินหแห้งแ้งอ่ะดินหแห้งแห้งเขาสมให้มันเหนียวขยําให้มันเหนียวแล้วก็มาปั้นเป็นลูกิดเรียบเบื้องเรือหมอ้อในทางทำท่านเอาประมาเปียบมันก็หม้อคนเราท่านแต่ท่านไม่ได้เปรียบอย่างนี้เปรียบหมอ้อท่านเปรียบมันกับความแตกสลาย คือว่าธรรมดาหมอ้อคือภ้าชนะดินที่เอามาใช่นะ่ะมีวันหนึ่งจะต้องแตกสลายมันเรียกว่าอุปมาเปรียบว่ม้อมีคำบาลีว่ากุมภปมาณกายมางวิจิตวา <c oughs> ใครก็จะรู้จักซึ่งกายนี่ว่าเป็นเหมือนกับอุปมามันก็หมอ้ทหมอทช่นว่านั้นแต่ที่ายที่นี้ที่บายถึงเรื่องก้อนดิน จะเรียกว่ามอแล้วก็ อ, อีกกระตามนั่นเป็นาธาตุอันหนึ่งซึ่งพูดเจตตั้งเดิมดเดิมคือว่าสมรรพธาตุนั้นเกิดจากบิดามารดาเราเกิดขึ้นมามีาธาตุดินาธนาตุน้ำผสมกันเมื่อพูดเรืงดินก็ น, น่าแล้วก็มีไฟมีลมประกอบกันนี่นะไฟกับลมอาศัยกันถ้าไม่มีลมไฟก็ไม่ สว่างไฟก็ต้องดับดินกับน้ําก็เหมือนกันมันต้องอาศัยกันอยู่ด้วยกันต่างกันว่ามากหลือน้อยจั้นนะถ้าน้ามากมันก็เหลวไหลไปแคถ้าดินมากมันก็ข้นแข็งไปแค่อาศัยอยู่ด้วยกันพระพุทธเจ้าท่านสอนในพวกเราพิจารณาทั้งอย่องธาต ได้เห็นเป็นคนได้เห็นเป็นตนเป็นตัวให้เป็นเราเป็นเขาให้เห็นเป็นท่าใเหเป็นก้อนท่าท่าสี่ดินหน้าไปลงนี่ท่านไม่ให้พูดถึงเรื่องใจยังไม่ได้พูดถึงเรื่องใจก่อนพูดได้เพราะวัตถุคือรูปแม้แก่รูปธรรมทุกเชิ้นทุกส่วนที่มีตัวของเรา ที่เป็นตัวตนของเราเกิดขึ้นมานี้เป็นก้อนอย่างนี้ก้อนดินดีๆนี่แหละคาดดินน้ําผสมมาอยู่ดีๆอะไปลมกับไฟเข้าผสมอีกก็เลยแสดงปฏิกิริยามีการเคลื่อนไหวไปมาได้ถ้ามันมีไฟมีลมก็เคลื่อนไหวไม่ได้แล้วมาเตี่ยมกับหุ่น ดวคนเราก็าไม่ผิดอะไรกับนนคบนี้เหมือนกันเดยนต์นางคำบาลีท่านว่าสรีระยนต์ดวงเรานั่นคือสรีระยนต์ท่านว่างั้นท่านผู้ที่เห็นจริงแล้วในทางในทางธรรมพิจนาเห็นกายเป็นธาตุหรือเห็นเป็นธรรมแล้วนะไม่เหมือนกับพวกเราเห็นหน้าเห็นตาทักทายปาย้าใสกัน ถ้ามาได้พูดอย่างพวกเราพูดกันพวกเราเห็นกันทักทายนะี่สบายดีรอือย่างนั้นอย่างงี้พูดต่อ้าตัวสบายจ้าในตํานูนั่นน่ะพราะไม่จริงไม่ใช่สบายถึงหากจะมีทุกข์อยู่กับตามเถอะไม่เคยพูดว่าแมพุ่มใจเลยทุกข์ใจก็เคยแสดงออกมาดอกนี่แต่โกหกกันทั้งทีแสดงจ้างนั้นแหละ เครื่งจริงนะไม่ใช่มันสบายขันนั้นนี่ไม่ใช่ขันสบายธาตุนั้นนี่ไม่ใช่สธาตุสบายธาตุทุทกข์คือเกิดสมาทนทุกข์โรมานคือว่าก่อนที่จะมาเกิดมเป็นคนแต่ปฏิสนธิกับทนทุกข์อยู่แล้วในท้องของมัร ด, า, ดาก็ถมากระแสธาตุที่จะทุกข์เอามาเป็นตนเป็นตัว เป็นเด็กเป็นเล็กกระแสน้ำหาดที่จะทุกข์ก็ดูที่เราเห็นนอนอยู่ในฝ้าอ้อมอยู่ในกระดุงดินอยู่เดวเดาอยู่นึ่งมันสุกตรงไหนเติบโตขึ้นมากัทํามาหายงังขีดตากแดดกลาฝนตางแดดกลางฝนแสนสาหัสคนทุกข์ทรมานจะหายอยู่ในร่มในเงาก่อแสนทุกข์ทรมานจะออกตากแดดตาก ทนกัแสนทนทุกข์ทรมารไม่ใช่สุขเหตุ น, นั้นที่ท่านพูดควรจริงท่านไม่ได้พูดว่าสบายดีอย่างพวกเรา <c oughs> ท่านถามก็ไม่ได้ถามว่าท่านสบายดีหรืท่านก็ไม่ได้ถามานั้นท่านเอ่ยขึ้นเบื้องต้นว่าสาริระยันตังเะตุจักตังนวัทวารังธรรมานียังทา่านั้น จะตัจักกังสรีระยนสรีระยันต่างจะตัจักกังสรีระยนมันมีจักรสี่มีทวารเก้าพออดกลั้นอยู่หรือทันว่างนั้นท่านจึงเรียกว่ายนติเตัวงเหล่านี้เป็นสรีระยนมีจักรสี่พิริยาบทยืนเดินนั่งนอนเรียกว่าจักรสี่ หมุนไปหมุนมากลับไปกลับมาเรียนไปเรียนมาเนีย่ยว่าจักสี่มีทวารเก่านับดูตาหูจมูกของเราทั้งทวารหนักทวารเบาเนีย่ยว่าทวารเก้ามำ น, นี้ยังเพราะอดกลั้นอยู่หรือท่านว่างั้าอดทนทุกได้หรือคาว่าอดกลั้นก็หมายว่าทุกนั่นเองจะาาพัสสาวะเทานอนทำไมเาอดกลั้นได้หรือ คือไม่ถึงกับว่ากดไม่ได้ถ้าว่าอดกลั้นนี่ก็หมายถึงทุกันนี้ทุ ก, กับเพราะว่าทน เ, นเรียกว่าคนทุกคือทนเพืออดทนนั่นเองกหมายถึงเรื่องทุกันเนี่ยแต่ทัางนวนท่านว่าก อ, อดกลั้นทำไมว่าทุกหรือท่านหมาว่าเพราะท่านผู้เห็นแล้วเข้าใจตามเป็นจริงแล้วท่านไม่เป็นทุกข์ท่านทนทรมารไปตามอี่บัง ถึงว่าพระอดกลั่ได้หรือท่านว่านั้นนี่ไม่ใช่ไม่เหมือนกับพวกเราพูดของจริงมีพูดถึงเรื่องคาดคาดอันนี้น่ะเหมือนกับเขาเอามาปั้นหม้อดังที่บ้านมาแล้วหม้อนั้นเขาปั้นเป็นรูปต่างๆรูปเล็กรูปโตจะเป็นรูปปากว้างปากแบนหรือรูปปากพร้อมก็ตามใจท กมเหมือนกับปั้นคนนั่นแหละคนบางคนก็เตี้ยบางคนก็สูงโป่งบางคนก็อ้วนตึกทึบบางคนก็ขาบางคนก็ดังบางคนก็สารพัด ท, ที่จะเป็นไปก้อนอิดก้อนดินก้อนดินแต่ละก้อนไม่เหมือนกันก่อนสภ <c oughs> าพของก้อนดินนี่แหละ คนมามองดูป้อนดินนะคะนานการแย่งซื้อซื้อแย่งขายกันมอการหม้อแล้วจะจะขายถูกขาแพงตามราคาที่ชอบแล้วไม่ชอบถ้าชอบมากกว่าขายแพงถ้าไม่ชอบกว่าขายถูกแย่งซื้อแย่งขายกในเรื่องหม้อคือคนเรา มันมีสภาพเช่นนี้เรื่องของธาตุมันพิสดารธาตุอันนี้นพิสดารมากใช่ไปชั่วขณะหนึ่งครู่หนึ่งคราวหนึ่งหม้อเขาปั้นดินธรรมดาที่ดินเขามาปั้นเดยดินเหนียวเขาต้มของที่อย่างวัฒนสุกให้มันสุก ข, ของสดให้มันสุก แต่หม้อคือคนเราต้มของสุกแล้วให้มันละลายให้มันยอกย่ยอยต้มมันอยู่ทุกวันทั้งกลางวันกลางคืนหม้อดินเขาต้นปั้นจากดินเหนียวนะเขาต้มเป็นครูเป็นยามแล้วเขาก็ปลดเนะหม้อคือก้อนดินคือคนเรานะต้ม อ, อยู่ตลอดการมีเรื่องคาาอธิบาย เ, เรื่องค่าดี ให้พิจารณาด้วยตนเองการพิจารณาเรืงเรื่องธรรมกรรมฐานหนึ่งอย่าเป็นนั่งรับหูรับตาให้ซึมเซาเยอะเฉยถ้าหากวเราเป็นนั่งซึมเซาเยอะเฉยมาคิดนึกอะไรหรือว่าไม่อยู่ด้วความสุขสงบอย่างเดียวเราไม่ได้ความรู้ไม่ได้เห็นจริงตามเป็นจริงถูกอยู่ทีแรกมันไม่สงบฮัทำใหสงบซะก่อน เมื่อสงบแล้วนะให้คิดค้นของอันนี้ตรวจราของอันนี้พิจารณาของอันนี้ให้เห็นเป็นตาเป็นจริงเนี่ยกับปัญญาพัดอบลมปัญญาให้เกิดอิจฉาตัวรู้ <c oughs> จะได้ไม่เป็นกังวลห่วงใหญ่ในเมื่อหมอแตะไมหมอบินเห็นตามเป็นจริต อ้าหากว่าไม่เห็นตาเป็นจริงแล้วน่ะไม่ใช่แต่หมอภายนอกภายในเหมือนกันภายในและภายนอกเหมือนกันอย่างตัวของเราเนี่ยเจ็บปวนี่นี่หน่อยก็เข้าใจว่าเราเจ็บแล้วปวดเน่ยเป็นไข้เป็นวัดเป็นไอนี่นี่หน่อยกต่เราจะจนเป็นครับอยวก็หมอบินเวลาจะแตกระดำเงี้ยงจั่งล่องส่วนทางจะได้อะไรอ่าวพอไม่เห็นเป็นหมอกไม่เห็นเป็นท่า หม้อภายนอกมันบินถ้าหายไปแล้วถือเป็นของเรานั่นก็ตายคกูตา ย, ตายอมันบินนิดเลีกว น, น้อยพอดีถึงกับตายถ่วยชามกันเหมือนกันมันเถือเป็นตัวของมันเลยเนะี่ยไม่ไม่ถือว่าเป็นของภายนอกถ้าความอาไรอาบอดพวความไม่เข้าใจตามตินจริงแล้วมหดพ่อนามหัดอย่างนี้ ไม่ใช่แต่มุ่งแต่ว่าจะเอาความสงบถ่ายเดียวหรือไม่ใช่มุ่งแต่จะพิจารณาอย่างเดียวเมื่อไม่จะงบก็าหาหัดจะมันสงบเมื่อจะงบแล้วอย่าไปนิ่งเฉยอยู่หรือยินดีติดกับโกลสุขสงบให้ออกอาแท่งพิจารณาหรือก่อนที่จะเข้าถึงโกลสงบก็าตามถ้าหากเรามาแท่งพิจารณาอยู่ในอันเดียว เช่นพิจารณาเหนเ็นก้อนดินแลเวเย็นธาตุดินน่ะตัวของเราเนี่แท่งพิจาณาเป็นธาตุดินนี่ตลอดเวด้มันชาติขึ้นไปภายในใจและจิตจะดิ่งแนวลงไปเลยเข้าถึงพน า, านาสมาสงบแต่ลักษณะที่สงบเนี่ยไม่ใช่มีนจะอยู่ได้ตลอดกาล <c oughs> จำเป็นยต้องถอนมาอีกเหมือนกัน ทอนว่าการพิจารณานี่แหละธาตุความธาตุเนี่ยมีวิธีภาวานาตรงเป็นอย่างนั้นจึงจะเดินไปได้สะดวกจึงจะมีเครื่องอยู่ไม่มงุดหงิดไม่ลาคาดถ้าอยู่ในความสงบถ่ายเดียว น, น, น, น า, านๆก็จําคาดที่เกียดเบื่อหน่ายถ้าพิจารณานถ่ายเดียวไม่มีความสงบเป็น ลากฐานก็จะเดิดเปิดเปิงไปเอาอะไรแน่นอนไม่ได้ไม่ชัดไม่เจ็พิจารณาไปแล้วกันแล้วเลยชี่เกียรติเลยเบื่ออีกเหมือนกันมันไม่ชัดมันไม่ทราบซึ่งมันไม่ดึงดูดเข้าไปหาใจมันไั่นเป็นเครื่องชำระสักต่ว่าพิจารณาแต่มไม่ชำระจิตใจฟองใสตาดไปทับไปพร้อมกัน พูดถึงเรื่องธาตุดินต่อไปพูดถึงเรื่องธาตุน้ําคือตัวขงเราอาการสาที่สองที่เราพากันสวดอยู่นั่นธาตุดินก็อาจจะพูดถึงเรื่องเจสาประมาณนะะักขัต่างๆประจุเราธาตุาต <c oughs> าดินสิบแปดหรือยี่สิบธาตุน้ำสิบสองนี่นั่นดีนั่เสลิดเป็นต้นที่สวดกันอยู่ น้ำนี่แหละอยู่ในตัวของเรามีสารพัดน้ำแดงก็คือน้ำเลือดเซนเลือดแดงน้ำขาวก็เซนเลือดขาวไอออนเลือดขาวามมกอนลเลือดขาวน้ำมูกน้ำลายแตเลดน้ำดีก็ดำน้ำเหลือง เหลืองน้ำลังเลือดนั่นเองน้ำมูกน้ำมูกใสขาวเราดื่มน้ำลงไปอย่างเดียวเท่านั้นตาพายนาลงดูสิมันไปอยู่ในกลุ่มของเรานะ่ะที่มันเก็บน้ำไว้นีวมันกระซึมทชาไปในเส้นเอน็นต่าง ตาัสกะต่างๆทั่วส า, ารพรางกายมันสูบฉีดทำไมตามมันมีเครื่องสูบเองของมันมันต้องสูบฉีดไปตามเลือดนะไปทั่วเสน้นส า, ารพรางกายเส้นเลือดเล็กๆมันส่งกันไปวียนวนกันไปเวียนวนกันมาไปทั่วทั้งปลายเท้าปลายมือแล้วก็วนกลับคืนมา อันใดที่มันควรที่จะไปห ล, อหอปหอลห่อเลี้ยงกามเนื้อหรือไปหล่อเลี้ยงกระดูกหล่อเลนะี้ยงอะไรมันก็ไปหล่อเลี้ยงตามเรื่องมันน่ะเศษนั้นก็วบกลับคืนมามาอยู่ในกระเพาะมันใช่การไม่หน้แต่คับถ่ายออกมา <c oughs> อาหารก็เหมือนกันมันแห้แยกแยกออกไปเองเข้ามานี้ท่านจึงว่ายนเครื่องยนตเครื่องจักรเครื่องยน พิสดานก็ยนต์ฝรั่งเขาทำนสดามันยังใช่เพียงน้ำมันดิสินน้ำมันเครื่องเพราเปิดออกมากต่พอไฟติดแล้วกับเครื่องหมุนอันนี้ไม่ใช่นะนี่มันไปทั่วมดทั้งเส้นทางกายไม่ต้องใช่น้ำมันนะนั่นใช้น้ำธรรมดาเลยหลอกมันได้กลับกลายปเป็นเลือด เป็นน้ำมูกน้ำลายเป็นน้ำล่างเนื้อเป็นน้ำดีน้ำสเสดเป็นไปหมดมันไปนกระจายัวไปไปปรุมไปแต่งนั่นเองอาหารก็ทานมาไปแห่งเดียวเนี่ยร่วงไปแห่งเดียวกับน้ำมอ่นนะแต่มันแห่งย่อยแห่งซึมซาบไปย่อเลี้ยงภายในก็มันเองแล้วไม่รู้เรื่องกับมันหรอกหามาได้แต่เสียงว่าเปิบข้างปากของเราเนี่ย เชี่ยวเลยก็คือวินญาณไปมัดเรื่องมุดฝาละของเราที่เราหามาันอันนั้นเป็นฝาละของมันมันเป็นไปเองดีเสี่ด้วยเราทากระสูนไม่ได้ใครๆจะทําระสูนไม่ได้มันทำของมันเองจะ <c oughs> <c oughs> พูดถึงเรื่องน้าคนเราจะมีผิวพันพุ์ผของก็มีนิ่มนวลเพราะน้าหล่อเลี้ยง ถ้าน้ำไม่หล่อเลี้ยงยมันก็ตน้นไม้ Hell, อะไมั้งเหวี่ยงเฉาอกเลน้ำนี้มันหล่อเลียงถ้าหากว่าเครื่องจักรมันไม่ดีมันมีคนมีการทํางานไม่คล่องไม่สะดวกถ้าเกิดวิการ์เมื่อวันนี้เกิดเป็นวัดเป็นไอเป็นน้ำมูกไหลออกมาหรือเล่ะเลือดก็ไม่ปกติ การเย็นอะไรหลายเรื่องหลายอย่างยังเรียนแล้วคับถ่ายมาันก็ไม่ปกติทำให้อีกคนมีการ <c oughs> <c oughs> มีพูดถึงเรื่องน้ำ <c oughs> มีคุณมีโทษแต่พร้อ ม, อมกันในาดินกำน้ำ มันอาศัยสืมซากไปได้วยกันในพูดถึงเรื่องลมการอธิบายและเบื้องตน้นไฟกับลมไม่อยู่ด้วยกันไฟอยู่ตรงไหนตัวคนเรามันมีไฟคำว่าไฟที่หมายถึงการอบอุ่ น, นเรียกว่าไฟนักคณิยศาสตร์เขาพิคราแล้วว่คนเราเนี่ะมีกระแสไฟอยู่ภายใน ถ้าหากว่ายะมีข้อวิจารณ์น้ำมามาใช่อูจะได้พลังไฟฟ้าเยอะแยะทีเดียวในตัวของคนเราใครไปสูงไว้หระใครไปตีไปต่อมาหรอมันฟืนปืนของมันเองมันสร้างพลังของมันเองพลังไฟฟ้าของมันสร้างขึ้นมาเองแร้วถ้ามีลมนั่นแหละถ้ามีลมมันก็สร้างไม่ได้ไฟกับลมไม่อยู่ได้กันอธิบายมาแล้ว มันสร้างพลังเข้ามันเองให้อบอุ่นไปทั่วทั้งทางกายถ้าต้องไหนอบความอบอุ่นคืกไฟไม่มีตรงนั่งก็เรียกว่าวิการไฟไม่มีลมมันก็ไม่ถึงลมไม่ถึงไฟก็ไม่ไปท่าอธิบายไว้ถึงเรื่องลมกับไฟ <c oughs> แยกไว้ไฟนั่นแหะ ทำกายให้อบอุ่นอย่างหนึง่งเผาอาหารให้ย่อดอย่างหนึง่งทําำความะบวนขวายร้อนจัดไม่สบายนันอย่างหนึง่งแล้วก็เผาร่างกายให้ชุดโศกแก่เท่าฉลานอย่างไปมีสี่อย่างหน้าที่ของมันท่านแยกออกที่จริงมันก็ทําหน้าที่มันพร้อมๆกันท่นแะแต่ท่านแยกออกไฟสี่กองนี่แหละมันทํางานพร้อมๆกันนะแต่ที่ท่านแยกออกนั่นว่ะ มันทำกายให้าอุ่นเาอุ่มันก็ทําอาหารให้ย่อยเลยมันก็ซึบโซไปในตัวมันทําให้กระวนกระวายมันทาให้ร้อนมากๆท่านแย่เป็น4ส่วนลมเนี่ยท่านแยกเป็น6ส่วนลมขึ้นข้างบนทําให้เอื้อมาโอ๊กมันเลอทําลงลมขึ้นพัดขึ้นข้างบนลมพัดลงข้างล่างคือมาขับ ให้ขับลมออกลงไปทางล่างเรียงระบายลมแล้วเผยลมลมในท้องมันดังดังโกรกหักโกรกงลมในท้องลมในใจปัน่นป่วนอยู่ภายในมันก็ขึ้นในทะเลแล้วเหมือนกัลบลมอยู่บนอากาศดังปกรกหักโก ร, รโกรังลมพัดไปในตัวก็หมายความทั้งลมที่มัน พาให้ไฟอบอุ่นไปที่อธิบายมาแล้วลมพัดขึ้นเมืองบนลมพัดลงข้างล่างลมในท้องลมในใส่ลมหายใจเข้าออกนั่งเอาไปยังลมหายใจเข้าออก น, นะเนี่ะพอหายใจเข้าไปแล้วกับพุสู่เข้าไปทล้วมดภาละพูดสู่เข้าไปแต่ไฟสู่มันก็ระบายออกมาแต่พวกที่มันหมดไม่ทันออกไปในจิตะ มันนำไปมันกระจายไปมันไม่ทัานออกมามันกระจายไปมันก็เถื่อนกันเหมือนกันเพราะสูดเขมันก็เถื่อนมดทั้นไปมู่ไปเท่าของเพราะหายใจมามัน ก, ก็เทือนมาเลยยุบบวบวับบวบกระทั่วทั่วถึงกันามด <c oughs> ทําไมทั้งยังให้พิจารณาในเรื่องไฟและลมอย่างอธิบาย ทำไมจะใ้พิจารณาอย่างนี้กาะดังอธิบายให้ฟังมาแล้วอะเพื่อให้เห็นว่าไม่ใช่ตัวตนคนเราเป็นสภาวะคือจักรเครื่องจักรอันหนึ่งซึ่งมันซึ่งมันทำงานตามหน้าที่ของมันอยูนะ่เราจะได้เห็นให้เห็นตามเป็นจริงมันจะ ในขณะใ ด, ดเมื่อเครื่องจักรนั้นใช้งานเดินได้คล่องอยู่แล้วก็สบายเดินไปมาคล่องแถวทําการทํางานพาลาั ง, งต่างๆได้ก็คล่องแคล่วถ้าหากว่าเครื่องติดขั ด, ลดลเช่นก็ื่รถล้าได้ไสิมันก็ไปไม่ได้เดียกว่ารถตายแล้วว่าไม่สะดวกถ้าเครื่องเรือก็เรื อ, อตายไม่ไม่ทํางานคนเรามันตายเป็นชิ้นเป็นส่วน ถาหากว่ามันตายหมดไทบจะปไปไม่รอดจริงๆจะเรียกว่านอนตายจริงๆแต่บางอย่างมันไม่ตายหมดนี่มันคัดคข้องเช่นเจ็บไข้ไม่สบายลุกไปมาก็ได้แต่แต่มั น, มนขัด้องอาหารที่เราทานก็ได้แต่มันไม่อะไรร่อ ย, ออยไม่เป็นประโยชน์กัร่างกายไม่มือป็ยกได้แต่มันไม่แข็งแร ง, น อ, รนน อ, งนอนี้สาหกางเด็กน้อย นะครับที่จะเดินมาให้เห็นขันที่ท่านเรียกว่าขันคือธาตุอันนี้แหละเป็นขันเรียกว่ารูปขันหมายความถึงกองที่ดินยังเรียวรูปขันน้ําขันนั้นหมายความถึงกองอาการอากาศของที่อยู่ในดินนั่นนี่กองดินนั่นเนี่ย รู้จักเจ็บจักปวดรู้จักเย็นร้อนรู้จักจดจำเรียกว่าสัญญารู้จักปรุงจักแต่งเรียกว่าสังขารรื้มีความรู้สึกอันนี้เรียกวิวญญาณจึงรวมเรียกว่าอันนี้เรียกว่าสังขารมีวิญญาณคลอง คือมีความรู้สึกกลองถ้าหากมันมีความรู้สึกก็เหมือนก้อนอิฐ ก, ก้อนหินอันนั้นเรียกว่าชั้นขาดไม่มีวิญญาณคลองท่านจำแนกแจกให้คนเข้าใจให้ผู้นักภาวนาพิจารณาหลายชั้นหลายเตยหลายเรื่องหลายอย่างให้พิจารณาขันให้พิจารณาธาตุดังที่บา้านมานี้แล้วยังไม่แล้ว เอาถ้าไม่ชอบใจงั้นให้พิจารณาอีกในในัยหนึ่งพิจารณาเห็นเป็นขันใช่ไหมเป็นกองของรูปให้เป็นกองของนามไม่ใช่ตัวใช่ตนเหมือนกันเป็นขันต่างหากแต่มารวมอยู่ในที่เดียวคือมาลูอยู่ในก้อนอี่นเนี้ยค่ะฮ า, าก็ไม่ถนดัดไม่ชัดนะให้พิจารณาอีก ให้เป็นอายัดชนะคือว่าให้เห็นรูปกับตานให้เป็นอายัดนะนี่ว่าตาเป็นอายัดชนะภายในรูปเป็นอายัดชนะภายนอกหูเป็นอายัดนะภายในเสียงเป็นอายัดชนะภายนอก จมูกลิ้นกายเป็นยาตนาภายในกลิน่นลดสัมผัสเป็นยานนาภายนอกใจเป็นยาตนาภายในความคิดนึกเข้ามาสัมพยุทธ์กับใจนั่นเนี่ยอาจจะนาภายนอกเอาพิจารณาอันนี้ก็ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นท่านแยกให้พิจารณาลาเรื่องนะอย่างเพื่อให้มันเหมาะสมแก่จริตหรือความคิดก่อน นึกของคนนั้นความพอใจของคนนั้นมันจะมีเครื่องอยู่ถ้าเข้าไปพิจารณาเห็นชค่แต่มันสนุกสบายมันเพลินอยู่เลยปฏิบั้ไไม่รู้สึกอิม่มไม่รู้สึกเบือ่อสนุกเพลินอยู่คนเดียวคล้ายๆจะมีคนสนทนาพูดจาเรื่องคุศลพิจนารณาอะอย่างนั้น แต่ไม่จะให้มัไปส ง, งบนิ่งอยู่เฉยๆมันได้มันลำคาญเบื่อเป็นหนึ่งเราศึกษาเราเรียนไม่ใช่เรียนไม่ใช่เรียนเอาไปเก็บเรียนเอามาใช้เราฟังไม่ใช่ฟังเอาไปเก็บไปเฉยๆหรือฟังเอาไปทิ้ไงเแค่ฟังให้คิดพิดจารณาต่างตั้ายพิจารณาต่าง พระพุทธเจ้าสอนให้เราเข้าใจจำเหมือนี้แล้วเอามาคิดคดนให้เห็นตามเป็นจริงมันเป็นจริงอยู่อย่างนั้นไม่ใช่ของใครไม่ใช่เราไม่ใช่เขาให้เห็นเป็นนิสัยว่าธาตุสีดินน้ำไปลยให้เห็นเป็นนิแต่ ว, ว่าขันห้าอายุธนะก็เยื่อชนะจิตเจาไม่ใช่ตนไม่ใช่ตัวไม่ใช่อะไรทั้งหมด ที่ท่านแสดงถึงเรื่องสติปัฏฐานพิจารณากายหเห็นสักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์ตบุคคลแล้ะของพิจารณาถึงเวทนาพิจารณาถึงจิตถึงธรรมก็เหมือนกันให้เห็นเป็นในสักแว่ากายเวทนาจิตธรรมไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่สัตว์ตนบุคคลและของมันก็แน่นอนนี่สิถ้ามาเห็นอย่างที้ว่าไงไมันจะเป็นอะไรไม่มีอะไร คนเราลองเอาชื่อคนออกลองดูจะเป็นอะไรคนไม่ให้มีแหละจะเป็นตัวอะไรก็ไม่ตัดถ้าพิจารณาเป็นท่าก็เป็นท่าเลยใช่พิจาณขันก็เป็นขันเลยใช่พจารณาละก็เป็นพิ จ, ะจะารณาเลยใช่ถ้าไพิจารณาทึ้งอะไรทั้งหมดเห็นตั้งดนโดอยู่เฉยนี่แหละมันก็เป็นตัวอะไรก็ไม่ตัด อ, อันนี้เรามาเรียกว่าคนเฉยนี่นะมันก็ ถูกต้องอยู่เหมือนกันนะั่นแหละมันเรียกว่าคนมันมีเพราะว่าทุกอย่างอยู่ในนี้มีทั้งดีมีทั้งชั่วมีทั้งดินน้ำไ ป, ปรผสมกันเป็นคนแลน้วกดมีนวัตมีทั้งข้าขานายจักรมีเพราะวเรียกว่าคนก็ถูกอยู่แต่หงลืมใชะคนเรามีผู้สมมติครั้งแรกก็ น, น่าชมแต่เราไม่คิดทั้งเรื่องคนนั่นทีเรื่องแล้วก็เข้าใจว่าเราเฉยๆอี่นะ้ เรามันเป็นอันถือแต่ะคนนั้มันไม่ใช่ถือเรื่องถือแต่เราการไปถือคนอยู่นนั้คําว่าสาัตว์โกรธใหญ่โกรโตถือว่าเราเป็นสัตว์ไปแค่เพราะเขาว่าสัตว์นะถือว่าคนก็เก็แล้วกันเลยไม่พิจารณาฉันคิดว่าคนในพิจารณาท่านคนนะมันไม่มีอะไรทแท้ๆนี่นะมันละคนก็อยู่หลายเรื่องหลายอย่างอางนู่นนะมลทัถงเรื่องรูปไปย่างว่ามาแล้วมีท่าขาไใอยู่ต้า เราพัดมาทั้งเรื่องนามด้วยกับโอ้โหเยอะแยะพงะโลกพระเกลืองรหลงมาอยู่ในน้หมดมันอยู่ในกองคนนั่นหมดเลยเครื่องเกลือพระกลอคนละคนช่างมาอยู่ในน้หมดพระเทโยทะยานที่หล้นมากองในคนนั้นหมดนี่ว่าคนเราน่ะถ้าหากว่าไม่มีชื่อว่าคนแต่มดเรื่องกันไปพระพุทธเจ้าท่านสอนเนี่ยพิจารณาเนี่ย ข้าขายยุทะดังอธิบายมานี่นั่นคือให้ทิ้งคนนั่นเองสมมุติให้ทิ้งสมมตุติมันทิ้งเองถ้าไปเห็นนะมันังเหลือแต่บัญญตัติคือบัญญัติคือมอาใหม่แต่บัญญัติดินนี่มันมีทั่วไปเลยไม่ใช่แต่เราใครจะมาด่าดินใครจะมาว่าดินใครมาเกลียดโกรดดินดินก็ไม่เกลียดไม่โกดคนเราพิจารณาเห็นเป็นดินทั้วหมดเรื่องแั้วไปดินถ้าฟัง ผมมันจะพังลงไปอย่างนี้มันก็ไม่ดรอร้องอุ้ยไออะไรกันถ้วใครไปขุดมันก็ไม่เห็นมันร้องมันพังเลยอย่างพิจารณาเห็นเป็นดินฮวงบัญญัติอยากให้มันเป็นตัวให้เป็นอยากให้เป็นคนให้เป็นดินเป็นน้ําเป็นป่าเป็นลมไปใช่ไหมเนื้อเห็นเป็นยนไปใช่ไหมถ้า การบัญญัติอย่างนี้เนะี่ยมันไม่เข้าใครมันเป็นของสาธารณะถ้าว่าคนแล้วคันว่าตัวมาคดคือเป็นตัวเป็น ต, น, ตขนขึ้นมามันเป็นมันเป็นบัญญัติเฉพาะขึ้นมาแต่มันเป็นเรื่องสมมุติเฉพาะขึ้นมาไม่เข้าไปยุด <c oughs> มี่ธรรมะไม่ได้อยู่ที่อื่นที่ไกลอยู่ที่ตัวของเรานี้ทางนั้น ถ้ามาเพ่งพิจารณาให้ถูกหลักแล้วเป็นธรรมทั้งนั้นเราปฏิบัติธรรมแต่รู้ไม่รู้จรรัะทำจะไม่ทราบจะปฏิบัติยังไงเพียงจะถูกธรรมถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเราไม่ต้องปฏิบัติที่อื่นไม่ต้องพิจารณาที่อื่นพิจารณาตรงนี้แหละตรงกอง้อนธาตุนี่ละลายเป็นธรรมจริคือไม่ได้เป็นเราไม่ใช่เราเขาไม่ใช่สัตวตัวตนบุคคลเราเขาเห็นนื่อเตียนเห็นจักได้ว่า เง้ยเข้าแนวสติปัฏฐานชนิดเมื่อเป็นเช่นนั้นสติจะตั้งมั่นแน่วแน่อยู่ในอารมณนะ์นั้นคือเราพิจารณามันชัดได้อีกก่อนมันจะแน่วแน่นอันเห็นชัดแล้วไงจิตสติมันมั่นคงอะไเรื่องนั้นมันไม่วอกแวกมันไม่ทรงสายไปที่อื่นเห็นตัวเราตัวเขาเลยเห็นคนอื่นเหมือนกันหรอเห็นอะไรทั้งเปล่าหมดเป็นสภาวะเช่นนั้นเหมือนกันนั้นตักแต่ว่าเดีวยวกันทั้งนั้น ก็สบายจิตใจกําลังเปิดปานฉ่นั้เห็นธรรมคือเห็นอย่างนี้เองได้ธรรมคือได้อย่างนี้เองรู้ธรรมเห็นธรรมถึงธรรมคือถึงนี้เองไม่ใช่ไปถึงที่อื่นที่ไใจไม่ใช่เดินก้าวไปหาไหนดอกมันโผล่พุ่ขึ้นมาถ้ามันถูกต้องมันชัดึ้นมาแล้วอย่าทำให้จังอุตปาห์ที่จักขุนอุตปาห์ที่ท่านแสดงเนี่ย จัตสุคือปัญญาปัญญาจัตสุได้ปรากฏขึ้นมาอย่างนี้เมื่อเห็นอย่างนี้ก็เรียกว่าปัญญาจ็ตสุปรากฏขึ้นมาปัญญาธัฟาที่รู้ทั่วรู้รอบมดไม่ว่าที่ไหนตัวเราคนอื่นเหมือนกันรอบข้างเหมือนกันกับเราเหมือนกับเราที่ปัญญาเห็นเหมือนกั น, น, น, นมดมีสภาพเเดียวกันหมดวิชาธปาดิไม่ต้องถามคนอื่น ไม่มีการสงสัยมันชัดแจ้งแล้วไปจ้องตาไม่มีการสงสัยใครจะว่าไงไม่เชื่อไม่ยอมมันมันชัดเจนหายสงสัยที่ถ้าเราหมดสงสัยในพระราชนตรายหรือหมดสงสัยในธรรมคงสองอย่างเมื่อหมดมันหมดสงสัยอยีกโลโกโทปาดีมันสว่างแจ้งถึงจะลับตายยังมันก็นแจ้งมันก็สว่า ง, างมันสว่างในใจอ ไม่ได้มองดูด้วยตาหรอกมันมองดูด้วยใจเห็นด้วยใจเห็นแจ้งสว่างด้วยใจชัดเจนทะลุผู้ปกครอดทั่วทังจักรวาลเลยมีแต่ภาพเคลื่เดียวกันนะจ้าหนูไม่ใช่ไปถึงไม่ใช่ก้าวเดินไปถึงถึงทำแท้ที่จริงคือธรรมปราโถโตขึ้นมาตรงนี้นแสดงว่าเกิดขึ้นในที่นี้อุตสาหะที่พรองก็เกิดขึ้นมาแล้วปัญญาเจ้คุณอุตสาหะที่ผู้ทรง ปัญญาจ้าจูงโงงได้เกิดขึ้นมาแล้วเกิดทีทนนดนนท่นั่นเองเห็นในที่นั้นเองขันในที่นั้นเองในหมดท่งสัยในที่นั้นจึยงเกิดปัจนจึงเกิดยุทสาร์และธาตุแก้ก้าแต่นศีรษะนาคเราได้จตสรแุแล้วได้จาเร็จชมงคลได้ผ่านแล้วเราถึงพระสมานตะบูริยานแล้วประกาศโฆษณาดังกลางทั่วทั้งโลกเลยเนี่ยอธิบายทั้งเรื่องธาตุขันอายศนะ มาโดยลำดับคือพิจารณาตัวของเราให้เห็นหนิยมตัวของเราจึงแสดงเรื่องต้วนว่าธาตุวัฐานอธิบายวันนี้เรียกว่าธาตุวัฐานอธิบายมาต่อเพียงเท่านี้ละวันนี้ทีเราภาวนาอะไรก็ไมมีเรื่อง แรกก็ไม่พิจารณาแล้ก็ไม่พิจาณไม่มีเรื่องพิจารณาอันนั้นเป็นเพราะเราซื่อสุนในเรู้จักที่พิจารณาแท้ที่จริงมีอยู่เพรามันมีวัตถเรื่องทั้งหลายลนี้ถ้าหากเราปัญญาไปสอดสอนเพิจารณาคอยจะเจอวัตถของมากมีทั้นหลายีนั้ เหตุนั้นจรงว่าเราก็มาตั้งใจปฏิบัติฝึกหัดแล้วทุกผู้ทุกคนจึงน้อมเอาสิ่งหเหอันนี้จึงน้อมใจเข้าไปพิจารณาสิ่งทั้งหลายนี่แหละ<ม>นอกจากเราพิจารณาแล้วนอกจากเราจะพิจารณาแล้วไม่มีสิ่งอื่นสิ่งใด ที่เราจะทำเรียกวอามาทำกลมเพียนภาวนาดิคือในพิจาาเท่านี้นนนก็พอให้เห็นชัดเจนแล้ว่ะเรียกว่าเราภาวนาพิจารณาเท่านี้แหละเหตุนั้นเดง๋ยวให้ตั้งใจอุตสาหาะวิญญยตประกอบกับผ้าเพียรทำโดยค ว, วามไม่ประมาทจะเห็นอํา น, นาจอันนี้ส่งของการพิจารณา นั่งอธิบายมาอย่างเงี้ยค่อยทำใจให้สงบค่อยผ่อนลมหายใจให้อ่อนๆลมหายใจค่อยๆลงจนจับจิตได้คือว่าลมหายใจทัานผ่อนลองผ่อน น, นมนกัะ อารมณ์ตางมันก็ค่อยผ่อนลงตามเราจึงจับต่อาอาการนั่นนะ่ะอาการที่มันผ่นลงอ่นนะ่ะกำห น, นดลงแน่วแน่ลง น, นั่นในอะนันต์ว่าอารมณ์อารมณ์มันก็สมกันคือมันมีลมมันเองลมผ่อนก็ผ่อนตามยาติคนเจ็บคมปวดต่งตางๆนะั่นขั้นลมหายใจปวด คนจุดขั้นลมหายใจอดออกเมื่อผ่อนน้องผ่อนนงจดขั้นลมหายใจมันก็หายค่อยหายค่อยเบาไปอั น, นี้เราจะจับลมเราจะจับอาการของใจมันผ่อนอย่านั้นแล้วเราก็จับอาการนั้นอยา่าไปถือเอาลมให้ถือเอาผู้รู้ผู้ผูมันจะงบท่าน พวกนั้อยู่คงที่ไม่มีอะไรหรอกนอกจากนั้นะไม่มีอะไรถึงนมีก็มีประโยชน์คนตายไม่เห็นมีรู้สึกอะไร ม, มันมีคนเป็นอยู่ยังไปรู้สึกเหตุนั้นเน่ยตัวนั้นเนี่ยพุลุ่นเลยนะยังมีอยู่พุลุ่นนั้นสําคัญกว่าสิ่งอื่นหมดจึงค่อยจับพุลุ่นนั้นคนเดียวสิ่งอื่นมันก็วางไปหมด ทำนดอย่างนี้จึงจะได้ความสงบเอแล้วย่างนู้เลยประกอบกงเขียนเพ่ามาเราพอที่จะมองเห็นแลว่าใจอยู่ตรงไหน เราเป็นอาการยังไงต้องเลือดเลื่อรทำอย่าให้พอถ้ามันทันกับการกับเวลาสมัยเยาชาไปมันจะไม่ทำกาดทำมาทำตลาดกุฏานกาดเองเลือดเจียวรีดผายอย่าให้มันสายดกวบัวจะเหี่ยวเข้า เสือของเรามันเหี่ยวพระตะัมันทะวันรืบเจ้ารปลืบผายไปยามันสายเกินไปเกินควรในเวลานี้เียกว่าเวลาพอเข้ามาส้งเคือาหารเป็นดอกบัวก็เนี่าทั้งเรื่องหมดก็มีเที่ยวครอบบานในตอนนี้ที่เวลานี้ มีจริ่นหอมบันดาลโดยคนชีวิตยังมีเครื่องหมายในขณเที่มันกำลังบานคือเรายังรู้เห็นเปนความจริงอยู่ยเรียกว่ามับานอยู่ยังยอมรับธรรมะครรมสังเขวสจเจาได้มันเรียกว่าบาน ทั้งนมเลยแก่ <c oughs> เรียกว่าบานแล้วมันรับธรรมะคำสั่ ง, งพรเจ้ายเรียกว่าบานแล้วเพราะมันแสบทุกวันทุกวันจนกระทั่งฝานวันนี้แล้วไึ่ยินได้ฟังแล้วไม่เชื่อบานถ้าหากนิ่งนอนใจ ให้ฟักไฟถึงคุณงามคามดีล้วรักษาจิตใจของเราไม่ได้จิตใจเ่็นของโกดก่นไม่อยู่นิ่ง น, นอนได้ในวันข้างหน้าหรือเดือนหน้าปีหน้าเขาได้เศร้ามันจะอยู่ได้อย่างนี้หรือไม่ไม่เร้าจะได้ยินยนี้หรือไม่ <c oughs> เวลาที่เราได้สบคบเห็นจงตั้งใจทมสมาธิภาวนารักษาขอามสงบอารมณ์ให้พอถึง่ก็ตาลงสมองลงปุน่นไอลงเอ ด, เอดตาจิตให้ลงปัจจุบันลงปัจจัยละมดเรื่องไม่มีอะไรแล้วไม่มีการส่งสายใช่ไหมให้เราไปเอามดเรื่อง ความการทุจริตปัจจุบันนั้นรักษาอุปายนั้นไว้ทํางนดใจนั้นให้อยู่เนื่อย่างนั้นปัจจุบันนั้นเป็นการชาระแก้ไขตนเองในตัวลงถึงอัปปนาละไหมจ๊องลงถึงปัจาวะจิตเน่าเน่าลงต่อารมณ์มันเดียวเจ้านาเรื่องเดียว อยู่ในที่เดียวกรณนั้นในสิ่งทีเรต้องการรสาธนาถ้าหาได้พิจารณากันแล้วเลือกว่ามันรวมลงเป็นอัตนามันเป็ น, อ น, นเองไมมีใครแตะไม่ ม, มีใครแตะ